ค่อยรู้สึกนะรู้สึกตัวดีละแต่อย่าให้แรงไปถ้าแน่นๆขึ้นมาก็มากไปรู้สึกตัวไปสบายๆ ส, สบายเยอะไปบางคนอะ่ะกะดีกระดาไปแล้วปร <c oughs> <c oughs> บอกให้สบายนะ <c oughs> มีความสุขนะแต่ไม่เผลอมีราคาก็ได้มีโทสะก็ได้ไม่ว่าแต่รู้ทัน สงบกไ็ได้ฟุ้งซ่านก็ได้ให้รู้ทันถ้าเราไม่ได้พอนาะเอาดีเอาสุขเอาสงบอันดีสุขสงบเป็นแค่ของแถมมันมาเองนหละสิ่งที่เราต้องการจริงๆคือปัญญาความเข้าใจความเป็นจริงปัญญาเป็นความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นตัวทุก ในภาวนาแทบเป็นแทบตายเพื่อความเข้าใจเท่านั้นเฉการปฏิบัติธรรมนะั้นไม่ได้อะไรมาไม่เสียอะไรไปนะสิ่งที่ได้มีอันเดียวเท่านั้นคือความรู้ถูกความเข้าใจถูกคือตัวสัมมาทิฏฐินั่นแหละที่เราปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐินะเพราะว่าปุถุชนทั้งหลายนะั้นมีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิว่ามีตัวเราอยู่ตอตัวเรานี้บางคนก็เข้าใจผิดอีก เข้าใจผิดว่ามีตัวเร า, นะ เ, าเกิดความคิดแตกแขนงออกไปบางคนก็ว่าตัวเราเนี่ยอยู่ถาวร อ, อมตะร่างกายตายไปแล้วจิตซึ่งเป็นตัวเรานี่ออกจากร่างไปเกิดใหม่นะอันนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอีกชนิดหนึ่งนะรายละเอียดลงไปองมิจฉาทิฏฐิเรียกว่าสักกายทิฏฐิบางคนก็เห็นว่าตัวเรามีอยู่จริงๆแต่พอตายแล้วสูญไปเลยนะ อันนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่ออุเฉททิฏฐิมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมาตั้งแต่ต้นว่ามีตัวเราแล้วล่ะที่จริงไม่มีตัวเราตรงที่เห็นว่ามีตัวเราเนี่ยสักกายทิฏฐิถ้าโสดาบันเนี่ยละสักกายทิฏฐิได้เพรอละสักกายทิฏฐิได้นะความสุดต่งสองด้านที่ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูญแล้วหายไปด้วยมันไม่มีเราที่จะเกิดที่จะตายต่อไปตั้งแต่แรกแล้ว งั้นไม่มีปัญหาว่าตายไปแล้วเราจะไปเกิดใหม่เป็นคนเดิมหรือตายแล้วเราสูญไปเลยมันไม่มีเราที่จะไปเกิดใหม่ไม่มีเราที่จะสูญงั้นรากเน่ามิจฉาทิฏฐิตัวร้ายเลยก็คือตัวสักยทิฏฐิความเห็นว่ามีเราทําลายตัวนี้ได้ก็จะทําลายมิจฉาทิฏฐิตัวอื่นได้ด้วยวิธีทําลายความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิคือตัวความเห็นผิด ความเห็นผิดว่ามีเราวิธีทำลายความเห็นผิดมีอย่างเดียวคือเห็นให้ถูกซนะเมื่อไหรเห็นถูกเมื่อนั้นไม่เห็นผิดเห็นถูกคือเห็นยังไงก็เห็นความจริงว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานะจริงๆประกอบด้วยธาตุด้วยขันจํานวนมากอย่างมีขันห้ารูปส่วนของร่างกายส่วนของวัตถุนี่ส่วนหยาบหยาบเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ สัญญาความจำได้ความหมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วปิญญาคือความรับรู้หรือจิตที่เกิดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่เองเบื้องต้นก็มาหัดแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆก่อนพแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเป็นส่วนๆได้ก็จะเห็นว่าแต่ละส่วนนั้นไม่ใช่ตัวเราละวิธีที่จะแยก สิ่งที่เรียกว่าตัวเราให้เป็นส่วนๆได้นะต้องมีจิตที่ตั้งมั่นที่หลวงพ่อเน้นนักหนาจิตต้องถึงฐานนะต้องตั้งมั่นนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ได้จริงๆถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตไหลไปไม่เห็นความจริงหรอกเงืนก่อนที่ขันจะแยกนะจิตต้องตั้งมั่นก่อนพอจิตตั้งมั่นได้มันจะเห็นนะร่างกายก็ส่วนร่างกายจิตส่วนจิตจิตเป็นแค่คนดู ร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูเวทนาคือความสุขทุกข์เกิดขึ้นจิตเป็นคนดนะูความจำได้หมายรู้จิตเป็นคนดูจิตเป็นคนไปเห็นสังขารความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วเช่นโรคหลดหลงเนี่ยจิตเป็นคนไปเห็นไม่ใช่ตัวเราหรอกกรนะะทั่งตัวจิตเองก็เกิดดับทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมีจิตที่มีปัญญานี่แหละเป็นคนไปเห็นนะจิตที่ตั้งมัน่น ไปเห็นงั้นต้องแยกขันเพื่อจะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราต้องหัดแยกขันก่อนจะแยกขันได้จิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูทำอย่างไรจิตจะตั้งมั่นไปสั่งจิตให้ตั้งมั่นไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้นะมีวิธีที่ที่เราใช้กันนะวิธีที่ง่ายๆรู้ทันจิตที่ไหลไปรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่น เมื่อไรรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นเมื่อนั้นจิตที่ไม่ตั้งมั่นจะดับไปจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติจิตที่ตั้งมั่นนั้นมีสองชนิดนะกระทั้งจิตที่เป็นตัวรู้เนี่ยังมีสองชนิดตัวรู้ที่ถูกกับตัวรู้ที่ผิดตัวรู้ที่ถูกเนี่ยจิตไหลไปหลงไปเคลื่อนไ ป, เ, ไปเรารู้ทันไม่ตั้งมั่นเรารู้ทันนะจิตจะตั้งขึ้นเองจิตที่ตั้งมั่นเองเนี่ยจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะเบาอ่ อ, อนโยนนุ่มนวล คล่องแคล่วว่องไวควรเ ก, กรี่ยางานไม่มีราคา่าไม่มีโทสะไม่มีโมหะแท้แต่ตัวรู้อีกวิธีหนึ่งที่ตั้งมั่นขึ้นมาอีกวิธีหนึ่งนะคือบังคับให้ตั้งมั่นควบคุมไหมควบคุมทําได้2 อ, อย่าง1ผลักอารมณ์ออกไปจากจิตสองดึงจิตออกจากอารมณ์นะดึงขึ้นมาใครเคยรู้สึกภาวนาแล้วดึงพยายามดึงให้ตัวรู้แยกตัวรู้ที่เราดึงขึ้นมาหรือผลักอารมณ์ออกไปนะจะแข็งแข็งจะหนักหนักแข็งแข็งนะ ถื่อมีความหนักความแน่นความแข็งความซึมความทื่อเป็นองค์ประกอบในขณะนั้นมีราคะแทรกอยู่มีโทสะแทรกอยู่ด้วยนะบางทีก็เป็นราคะบางทีก็เป็นโทส ะ, ะแต่ยืนพื้นเลยเป็นโมห ะ, ะจะอืดอัดนะถ้าอืดอัดเมื่อไหร่ก็มีโทสะถ้าแยกออกมาแล้วก็เพลินสบา ย, ยมีราคะเ น, นี่ยผู้รู้ที่ผิดนะตัวรู้มีสองชนิดนะตัวรู้ถูกตัวรู้ผิด ตัวรู้ผิดเนี่ยตัวรู้แกล้งทำตัวรู้ถูกเนี่ยเกิดขึ้นเองโดยที่เรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปไม่ใช่ผู้รู้แล้วเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจิตเคลื่อนไปรู้รู้ทันปุ๊บจิตจะตั้งเองตัวนี้ตัวรู้ที่ถูกพอมีตัวรู้ถูกต้องเนี่ยมันจะเห็นถึงมีตัวรู้ผิดนะก็จะเห็นขันแยกได้นะคนตัวรู้ผิดเนี่ยใจทุ่ๆนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวนี่ไม่ใช่เราเคลื่อนไหวทืๆจะหยิบน้า นะบางคนช้ามากเลยอยู่น้ำต่างตายแล้วนะไปกินน้ำาคลิกลกลุกรู๊กนะ้เพ่งไปด้วยนะมีว่าจะได้กินน้ำนะไตาวายไปก่อนเนาะ อ, อย่างนี้ไม่ได้เรื่องนะเคื <c oughs> ่อนไหวตามธรรมชาติธรรมดาแล้วรู้สึกเอาอย่าไปแกล้งอย่าไปแกล้งหน่วงอารมณ์ให้ช้าลงนะฝึกสติให้เร็วขึ้นสิจะได้รู้ไวๆไม่ใช่แกล้งหน่วงอารมณ์ให้ช้าเพื่อสติช้าๆจะได้ช้าต่อไปนะ ไม่ได้เรื่องหรอกงั้นรู้สึกตัวให้ไหวๆนะพอพอเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนปุ๊บมันจะตั้งขึ้นเองตั้งขึ้นเองนะบางคนขันแยกเคยสร้างบา ร, รมีมาจเจริญสติจเจริญปัญญามาแต่ชาติก่อนๆนะพอตัวรู้เกิดปุ๊บขันแยกเลยนะแล้วบางคนมันไม่แยกก็ต้องช่วยมันแยกแลนะถ้ามันไม่แยกก็ต้องช่วยมันแยกนั่งไปหายใจไป เห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูจะเก่าก็ได้เห็นร่างกายมันเก่าใจเป็นคนดูเอ้ายิ้มสิเห็นร่างกายมันยิ้มใจเป็นคนดูบางคนมันยิ้มเครียดจังเลยนี่ยจงใจมากไปตัวรู้ตัวปลอมตัวรู้ตัวจริงอย่าเบิกบานนะมีความสุขสงบแต่มีความสุขร่าเริงแต่ไม่กระดีกระดาร่าเริงธรรมะนี่เป็นของร่าเริงนะธรรมะไม่ใช่ของเงื้องเงื้องหงอยหงอยซึมซึมเศร้าเศ้าไม่ใช่ คนรเขียนปฏิบัติธรรม้ต้องทำตัวให้ซึมๆเหมือนคนพิการยังไงก็ไม่รู้นะต้องร่าเริงนะสงบแต่ร่าเริงนะเคยมีคนไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะเดินไปกุฏิพระเจ้าก็ผ่านกุฏิพระอื่นนะเห็นพระหลายองค์แล้วก็ไปทูลพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสาวกของพระองค์อัศจรรย์นนะอศัศจรรย์พระเจ้าข้าสาวกของพระองค์สงบแต่ร่าเริง เขาไม่ได้ชมนะสาวกของพระองค์หงอยหงวยพระเจ้าค่ะเสื่องเสื่องพระเจ้าค่ะไม่ได้ชมอย่างนั้นเลยนั้นธรรมนะนั้เป็นของราชเริงนะนนถ้าใจเราซีดซดเซียวเซียวเหี่ยวเหี่ยวแห้งแหงซึมๆมทื่อๆต้องรู้ว่านั้นไม่ใช่หรอกนั่นอกุศลลจิตฝนะังรู้เรื่องไหมข้อมูลมันเยอะมากเลยนะเนื้อหานะคือพวกเราเป็นปุถุชนเนี่ยมันจะมีมิจฉาทิฏฐิ เราปฏิบัติธรรมเนี้ไม่ใช่เพื่ออะไรเลยแต่เพื่อล้างมิจฉาทิฏฐิเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิเท่านั้นเองไม่ได้อะไรมาไม่เสียอะไรไปนะถ้าจะนับว่าได้ก็คือได้สัมมาทิฏฐิเสียอะไรเสียมิจฉาทิฏฐิไปเท่านั้นเองเสียความเห็นผิดแไปได้ความเห็นถูกความเห็นถูกเกิดจากอะไรเกิดจากการเห็นถูกสิมันถึงได้ความเห็นถูกเห็นถูกก็คือเห็นความจริงของกายของใจนะว่ามันเป็นไตรลักษณ์เห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีหรอก กายนี้ใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเรานะพอตัวเราไม่มีล้างสักยติที่ตีได้นะมิจฉาทิฏฐิอื่นๆก็พลอยหายไปด้วยนะเช่นมิจฉาทิฏฐิเช่นนะว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูญอะไรเงี้ยน่าหายไปหมดอ่ะมันไม่มีคนเกิดไม่มีคนตายหรอกมันล้างตั้งแต่ตัวนี้ไปการจะเกิดความเห็นถูกได้เนี่ยนะต้องมีวิธีก็คือมีใจเป็นคนดูดูของจริงนะ ของจริงก็คือร่างกายของเราที่ว่าเป็นตัวเราตัวเราเนี่ยความเป็นตัวเราเนี่ยมันเกิดจากขันนะมันมารวมตัวกันรวมกลุ่มกันแล้วก็เราเข้าไปหมายรู้ผิดผิดว่าไอ้กลุ่มนี้คือตัวเรานะนั่นจะทำลายความเห็นผิดได้นะทํทำให้ไอ้ตัวที่รวมกลุ่มนี้แตกออกไปแยกออกไปแยกขันออกไปนะรูปหรือร่างกายก็ส่วนหนึ่ง ความสุขความทุกข์นะส่วนหนึ่งนะความจําได้หมายรู้ส่วนหนึ่งกุศลอกุศลส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูแล้วก็ร่อนเร่เป็นทางตาหูจมูกลิ้นแก่ใจไปอีกส่วนหนึ่งพอแยกเป็นส่วนส่วนได้เนี่ยเราจะเห็นว่าแต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเราแล้วร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความจําได้หมายรู้ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตมันไปปรุงขึ้นมานะ สังขารก็ไม่ใช่ตัวเราเหรอกจิตมันสร้างขึ้นมาเป็นคล้คาๆตัวจิตเองก็ไม่ได้เป็นตัวเทียเท่ยงๆตัวจิตเองก็เกิดดับเดี๋ยวเกิดที่ตาเดี๋ยวเกิดที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจนี่เห็นของจริงอย่างนี้นะเห็นลงไปเรื่อยแต่ละตัวแต่ละตัวไม่ใช่เราเหรอกพราะคันมันกระจายออกไปแต่ะตัวเราจะหายไปวิธีปฏิบัติแบบนี้เรียกว่าวิพัชนวิธีนะวัวแหวนสละอีพอสําเภามรรยากาศชอช้างวิพัฒ เหมอย่างเราเห็นว่ารถยนต์มีอยู่จริงๆเราจับรถยนต์มาถอดเป็นชิ้นๆลูกร้อไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมลูกล้อไม่ใช่รถยนต์นะฟวงมาลายก็ไม่ใช่รถยนต์นะตัวถังก็ไม่ใช่รถยนต์เครื่องยนต์ก็ไม่ใช่รถยนต์ถังน้ํามันไม่ใช่รถยนต์สายไฟหลอดไฟไม่ใช่รถยนต์สุดท้ายรถยนต์หายไปกลายเป็นอย่างอื่นไปหมดเลยกระจายออกไปสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเหมือนกันถ้าเราจับมันแยกเป็นส่วนๆนั้นก็ตัวเราก็จะหายไปอย่างร่างกาย แยกออกไปปุ๊บจะเห็นร่างกายไม่ใช่เราเหมือนถอดล้อรถออกไปล้อรถไม่ใช่รถแล้วนะแยกเป็นส่วนส่วนนี่เรียกว่าวิพัชนวิธีเป็นวิธีการของพระพุทธเจ้านะที่จะช่วยล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราตัวเราเกิดจากการที่ขันมันมารวมกลุ่มกันนะมารวมกลุ่มกันแล้วมีสัญญามีความหมายรู้ผิดๆนะเข้าไปหมายว่าเนี่ยตัวเรานี่ตัวเร า, เรามีความหมายรู้ผิดก็เกิดคิดผิดนะ หมายรู้ผิดเรือกว่าสัญญาวิปลาสคิดผิดเรียกว่าจิตตวิปลาสในที่สุดก็เกิดเห็นผิดทิฏฐิวิปลาสอาศัยไปหมายรู้ผิดผิดคิดผิดผิดแล้วก็เลยเกิดความความเข้าใจผิดผิดความรู้ความเห็นผิดผิดขึ้นมาวิปลาสไปหมดอยากให้เห็นถูกอยากให้รู้ถูกนะจับมันแยกเป็นส่วนๆร่างกายไม่ใช่เราสุขทุกข์ไม่ใช่เราดีชั่วไม่ใช่เรา จิตที่ไม่ใช่เราแยกไปเรื่อยสุดท้ายปัญญามันปิ๊งขึ้นมานะถึงจุดหนึ่งมันปิ๊งขึ้นมาเองเลยตัวเราไม่มีหรอกตรงที่อริยามารรคโสดาปฏิมรรคเกิดเนี่ยม่จะรู้ว่าตัวเราไม่มีนะหลังจากนั้นไม่ต้องรักษาเลยนะไม่ต้องกลัวว่าตัวเราจะมีอีกนะไม่ต้องกลัวเลยทํายังไงตัวเราก็ไม่มีอีกต่อไปแล้วเนกะ็ขาดแล้วขาดเลยไม่ใช่ปลุกปลุปลุปลถ้าปลุกปลุปลุปลไม่ใช่ของจริงนะ วันนี้มีตัวเราวันนี้ไม่มีเราบอกเป็นโสดาไม่เป็นหรอกอย่างนั้นค่อยๆฝึกนะฝึกให้จิตใจอยู่กับตัวเองก็คือจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูได้แล้วก็ดูขันมันแยกขันออกไปแต่ละขันมันทํางานไปมันจะเห็นเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นว่าตัวเราไม่มีหรอกนะต่อไปก็ดูต่อไปได้โสดาแล้วก็ดูขันต่อไปอีกไม่ใช่เลิกดูขันนะดูขันต่อไปจะรู้เลยว่าขันนั่นเป็นอะไรอ่ะ ไม่ใช่ตัวเราแล้วมันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวทุกข์นะก็เห็นว่าขันเป็นตัวทุกข์ขันนีมันจะคืนขันให้โลกอย่างที่บอกเมื่อเช้าที่สุดแห่งทุกข์อยู่ตรงที่มันคืนจิตให้โลกได้เพราะจิตนี้เป็นขันสุดท้ายเลยที่หวงที่สุดเลยเ็เป็นตัวเราอันนี้เรียนมาจากหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่ดุลหลวงพ่อไปหาท่านครั้งสุดท้ายสมสวันก่อนท่านจะมรณภาพ ไปหาท่านปลายปลายกันยาสองหครั้งสุดท้ายท่านก็สอนสอนสอนจนท่านเหนื่อยหอบดึกแล้วกลางคืนแล้วมืดแล้วบอกท่านหลวงปู่ครับหลวงปู่เหนื่อยมากแล้วผมจะกลับแนะล้วหลวงปู่บอกจะกลับเลยยังกลับไม่ได้นะต้องจํานะจําไว้นะพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตยื่ถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมไม่เข้าใจจะจะจําไว้บอกท่านอย่างนี้นะเออจาไว้นะ ได้แล้วนี่ก็หลาท่านคลานถอยหลังออกมาตามมารยาทเลยนะคลานอยู่กับผู้ใหญ่คลานเนี้ยคลานถอยหลังนะไม่ใช่อยู่กับผู้ใหญ่จะไปนะหันหลังกลับนะเอาเท้าชี้หน้าผู้ใหญ่แคลานออกมา <c oughs> ไม่มีมารยาทเนี่กับครูบาอาจารย์นะใจเราระมัดระวังมากเลยไม่เอาเท้าไปชี้ท่านหรอก ค่อยๆถอยหลังออกมาพอพ้นระยะท่านเราก็ลุกขึ้นยืนไม่ใช่พ้นระยะแล้วก็หันหลังกลับอีกนะเอาเท้าชี้ อ, อีกแหละพ้นระยะลุกขึ้นยืนหันหลังเดินใจน่าอะไรวอวนไม่เคยอะไรวอวนใครเลยวันนั้นเกิดใจอะไรวอวนหลวงปู่หันไปมองท่านดูโอดูไม่อิ่มนะดูแล้วก็ตัดใจเดินต่อเดี๋ยวก็หันมามองอีกนะมองหลายรอบนะ เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายแล้วนะไม่รู้ว่าท่านจะสิ้นหรอกแต่ว่าใจมันเป็นเองนะไปฝึกเอ้นะสรุปถือศีลห้าทุกวันซ้อมในรูปแบบซ้อมก็คือซ้อมรู้ทันใจที่ไหลไปใจจะได้ตั้งมั่น ใ, นใจตั้งมั่นแล้วนะอย่างไม่หมดเวลาที่ทำในรูปแบบก็เจริญปัญญาไปเลยดูธาตุดูดขันมันไปใจเป็นคนดู หมดเวลาแล้วออกมาจากการทำในรูปแบบแล้วเจริญสติในชีวิตประจาวันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปความรู้สึกเปลี่ยนรู้ทันนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้ทันเห็นมันไม่ใช่เราหรอกฝนะึกไปเร้ยนะเจวันเจ็เดือนเจ็ปีควรจะได้อะไรบ้างธรรมะมันไม่เหลือวิสัยที่คนธรรมดาอย่างพวกเราจะทำหรอกนะเอาต่อไปส่งกันบ้านใครจำเป็นให้พวกอยู่วัดก่อน สอนจะละเอียดขนาดนี้ น, นั่นจริงๆไม่ควรสงสัยนะควรจะเาไปภาวนาวนีแต่ถ้าใครภาวนาแล้วติดขัดเออจะถามจําเป็นต้องถามก็ถามนะไม่จําเป็นเอาไว้ดูเองให้ครูช่วยตลอดเนีนะไม่เก่งหรอกน ะ, mm hmm. ะพยายามดูของเราให้มากที่สุดถ้ามันสุดสติสุดปัญญาแล้วก็ค่อยมาถามสุดสติสุดปัญญาเช่นโหมันเลวตลอดเลยมันหาดีไม่ได้ทําไม่เป็นสักทีอย่างเงี้ก็ต้องถาม หรือแม้มันดีตลอดเลยมีแต่ความสุขล้วนๆเลยนะไอ้นี่ควรจะถามนะกลับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเมื่อวานรู้สึกว่าฟุ้งเยอะกว่าวันก่อนอีกอืมแล้วก็แต่ว่ามันก็จิตไหลไปไว้ก็กลับมาไวเหมือนกันนั่นแหละจิตมันได้แรงนะไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้มันจะมีพลังขึ้นมาแล้วก็เมื่อคือนเนี้ยคือจิตมันไม่นอนเลยมันไม่นอนนั่นแหละจิตมีพลังมากไม่นอนหรอ ไม่เห็นเดือดร้อนเลยตัวนอนกลืนครอกๆนะจิตไม่นอนหรอกใช่เหมืนกระโหลอนใช่ตรงที่จิตไม่นอนนะไม่ใช่ตอนที่ตัวกลืนครอกๆเนาะจิตไม่นอนจิตนั้นเด่นดวงนั่นจิตมันมีแรงเยอะไม่ต้องตกใจหรอกไม่เป็นไรหรอกเวลาสติสมาธิปัญญามันแก่กล้าอัตโนมัตินะมันเหมือนรู้สึกตัวทั้งวันทั้งคืนนะแต่ถ้าต้องการพักทําสมถะ ที่พักมีอันเดียวคือสมถะกรรมฐานนะจะให้มันนอนพักไม่นอนเลยมันจะสว่างรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะแต่มีวิธีพักอีกวิธีนะถ้ามันไม่ยอมลงจริงนะอยู่กับความสว่างว่างนั้นเลยก็เป็นสมถะนั่นที่พักของนักปฏิบัติจริงๆไม่ใช่แค่นอนหลับนะที่พักอย่างแท้จริงก็คือสมถะกรรมฐานนั่นแหละข้าวนมาตรการร่วใจบ้างไหมมีบ้างกังวลร่วมใจอ๋อกังวลอ่ะกังวลทําไม จะกลับบ้านก็คือมันิดเจอโลกความเป็นจริงองีกนะมาอยู่วัดเนี่ยก็เพื่อให้มาเรียนรู้ความจริงนะไม่ใช่ให้มันหนีความจริงนะเมื่อกลับบ้านไปเจอความจริงแต่ยังอยู่วัดนี่ไม่เจอเจอเยอะค่ะแต่ว่ามันมันไม่เยอะเท่าอยู่ที่ทางโลกโลกนั้นทุกนะทุกค่ะแต่เราต้องเจอทุกเนี่ยเพราะอะไรเพราะเรียกวิบากกรรมเรามีกรรมเราก็ต้องเจอสถานการณ์อย่างนี้อย่างนี้มันเป็นเรื่องของวิบาก ทนี้ถ้าเวลาพิบักกให้ผลเนี่ยใจเราปฏิเสธนะใจจะยิ่งทุกข์นะนั้นเราถือว่าเราใช้นี่ยนะพยายามอดทนไปอยู่กับโลกยังไงก็ต้องทนสู้เอาอย่าให้เสียชื่อนักปฏิบัตินะใช่ค่ะนี่ให้กำลังใจนะนานๆให้ทีหนึ่งนะหลวงพ่อส่วน่ากดุเอา <c oughs> เอา้าวต่อไปขอบคุณค่ะใครจำเป็นมรรคการค่ะหลวงพ่อค่ะ เดี๋ยวนี้มีความสุขขึ้นไหมค่ะเนี่ยกรรมฐ า, านนะไม่ใช่เรื่องยากหรอกอย่างเราคิดถึงลูกเรานะเรามีความสุขเราก็รู้นะเราห่วงลูกแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาเราก็รู้นะนะโยมมาคอยรู้ทันใจของตัวเองไปเรื่อยๆนะอย่างวันนี้สดชื่นนะมาวัดมีความสุขรู้ว่ามีความสุขบางวันอยากไปไหนมาไหนไม่ได้ไปไม่มีใครพาไปนะั้หงหูหงิดรู้ว่าหูหงิด น, นะคอยรู้ทันความรู้สึก ข, ของตัวเองไปเรื่อยนั่นแหละกรรมฐานล่ะทําได้ไหมแค่นี้ ได้ค่ะเออไปทำเอา ก, การมนุษการหลวงพ่อคะ่ะว่ามาเออส่งการบ้านในรอบหนึ่งปีนี้นะคะรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีพัฒนาการเหรอเห็นกิเลสไหมเห็นค่ะเออเห็นกายกระใจแยกกันไหมเห็นค่ะเ อ, อเห็นไหมกายมันทำงานได้มันไม่ใช่ตัวเรานะเห็นค่ะแต่ว่ารู้สึกมันไม่ไม่เจริญปัญญาค่ะนั่นแหละเจริญปัญญา การที่เห็นกายเห็นใจมันทำงานได้เองมันอยู่ชั่วคราวแล้วก็เปลี่ยนนะมันเป็นไปเองไม่ใช่ตัวเราหรอกนั่นแหละเรียกว่าเจริญปัญญานะนี่การเจริญปัญญาเนี่ยต้องทำซ้ำแล้วซ้ำอีกดูอย่างนี้หละซ้ำๆไปเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีไม่ต้องบน่นว่าไม่เกิดปัญญามันสะสมปัญญาไปเรื่อยๆนะถึง<ต>จุด<ต>หนึ่งอจิตมันจะเปลี่ยนแต่หนูรู้สึกว่ามันมันไม่พัฒ น, นารู้ไปดูให้รู้ทันปัจจุบันนะ ถึงตอนนี้ดูปัจจุบันไปยังโทสะแทรกเข้าในปัจจุบันความไม่สบายใจเกิดขึ้นนะว่ามันไม่พัฒนาเนี่ยก็รู้ลงปัจจุบันว่าจิตมีโทสะและ<ฆ>จิตไม่สบายใจเนะนี่ยรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยเลยการพาวนาพอถึงขั้นนี้นะไม่ต้องไปทําอะไรละรู้ทุกอย่างที่เกิดลงปัจจุบันให้หมดเลยนะแค่นี้แหละแล้วถึงเวลาเนี่ยจิตจะเปลี่ยนไปเองไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลได้นะจิตบรรลุเอง แต่จิตจะมรรู้ได้เขาเพื่อเราพาจิตมันเรียนรู้ความจริงไปด้วยค่ะหน้าที่ตอนนี้คือพามันเรียนเวลาเรียนหนังสือตั้งสิบกว่าปีนะถึงได้ปริญญาเรียนกรรมฐานมาแป๊บๆจะเอาปริญญาแล้วไม่ได้หรอกใจร้อนไปค่ะขอบพระคุณค่ะขอบานบ้านนะคะหลวงพ่อที่ทําอยู่ก็ดีแล้วนะแต่ทําในรูปแบบน้อยไปพระคะหลวงพ่อทําได้ก็ทํานะ จุดสําคัญนะอยู่ที่ว่าเรารู้เท่าทันจิตจริงๆอย่างถ้ากระจิตจิตมันกระจายกว้างออกข้างนอกไปนะให้รู้ทันนะงั่นจะมีแต่ความสุขนะอย่าให้มันกระจายกว้างๆออกไปค่อยดูความเปลี่ยนแปลงของมันบ่อยๆถ้ามันไปว่างอยู่มันจะไม่เดินปัญญาสบายเพลินๆไปนามสการค่ะว่าไงโอเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือยัง เห็นค่ะนะทําถูกแล้วาละรู้สึกตัวม่อยขึ้นคะ่ะถูกแล้ว <Okay. S 2> ดีแล้วมีความสุขใช่ะสัง เ, เกต ด, ดูนะมันไม่มีอะไรเป็นเราสักอันนะค่อยๆหัดดูไปร่ <Yeah. S 2> างกายก็ไม่ใช่เราความสุขความทุกข์มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนะกิเลสมาแล้วก็ไปอะไรๆมาแล้วก็ไปหมดเลยเนี่ยค่อยรู้ค่อยดูไปเรื่อยจนเขาพอของเขาเองดีทําถูกเราละค เห็นไหมว่ามันเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนเยอะเลยการเปลี่ยนเยอะมันไม่ได้เป็นแบกโลกเอาไว้เนาะมันคลายออกไปเยอะเลย <laughs> <laughs> ดีใช้ได้ละคนสุดท้ายละแม่ชีลวงพ่อครั้งครั้งนี้รู้สึกว่าเราเรากระทบอะไรแล้วมันก็เหมือนกับแยกแยะออกมาได้มัางค่ะป็ดีสินะแตก ครั้ง <c oughs> ที่มา <c oughs> ครั้งที่แล้วอ่ะแย่ที่สุดเลยค่ะแล้วมันแย่อย่างไรอะ่ะแล้วว่าอือเหมือนกับคนที่ทําอะไรแบบแบบไม่เป็นอะคะ่ะอืมภาวนาไม่เป็นเหรอเวลาภาวนานะมันจะเป็นช่วงๆบางทีก็ภาวนาเป็นบางทีก็ภาวนาไม่เป็นเป็นทุกคนแหละบาง<ต>ทีนะมักผลอยู่ใกล้ๆเลยรู้สึกอีนิดเดียวก็ถึงละอีกวัวนนึงหายไปหมดละภาวนาไม่เป็นเป็นทุกคนนะ แต่แต่แต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าคือว่ารู้แต่ว่ามันก็ยังพอได้แต่ไม่แน่ใจว่าใช้ได้เปล่าคะใช้ได้นะแล้วก็รู้ทันโทสะที่แทกนะครรู้ไปเรื่อยๆถ้าโทสะแทกก็รู้อย่างความกังวลใจเนี่ยเป็นโทสานะอย่างกังวลว่าทำถูกเปล่านะอะไรเนี่ยรู้เลยว่ากาลังกังวลนะรู้ว่ามีโทสะ ที่ภาวนานใช้ได้แล้วอะแม่ชีเอ้ยไปทำอีกแล้วแล้วจะแนะนำเพิ่มเติมไหมคะนี่ไงให้รู้โทสะที่แทรกะความกังวลใจอะไรพวกนี้นแทกเข้ามาให้รู้ทันมันเราก็จะพาวนานด้วยความร่าเริงร่าเริงแต่สงบนะไม่ดีด้าหมดแล้วน ะ, <ś red tentar> ะ, นะ <ś red> ฉันกลับบ้านแล้วกัน